เมื่อเรามีโรคทางวิญญาณแล้วเราจะแก้กันด้วยอะไรถ้ากล่าวกันทางธรรมะก็แก้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าความว่างนั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่าความว่างหรือสุญญาตาในภาษาบาลีนั้นมันเป็นทั้งยาแก้โรคและเป็นทั้งความหายจากโรคเพราะว่าเราไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น ยาที่จะแก้โรคก็คือความรู้หรือการปฏิบัติจนให้เกิดความว่างทีนี้ถ้าความว่างเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นยาแก้โรคและเมื่อหายจากโรคก็ไม่มีอะไรนอกจากความว่างจากความทุกข์หรือจากกิเลส ท, ที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นคําว่าความว่างจึงหมายถึงทั้งยาแก้โรคและความหายโรค ความว่างที่มีขอบเขตกว้างมีความหมายกว้างนั้นหมายถึงความว่างอยู่ในตัวมันเองทว่าความว่างแล้วต้องเป็นตัวเองคือตัวมันเองไม่มีอะไรมาแต่ต้องปรุงแต่งแก้ไขหรือทําอะไรกับมันได้จึงถือว่าเป็นสภาพที่เป็นนิรันดร์คือไม่ต้องเกิดในที่แรกแล้วดับไปในที่สุดมันมี ความมีอยู่อีกชนิดหนึ่งไม่เหมือนกับความมีของสิ่งอื่นๆซึ่งมีการเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่เราก็ไม่มีคำอื่นใช้เราจึงเรียกว่าความมีมีสภาพที่เรียกว่าความว่างนี้อยู่เป็นนิรันดรถ้าใครเข้าถึงความหมายว่าถ้าจิตใจของผู้ใดเข้าถึงสิ่งสิ่งนี้ มันก็จะเป็นยาแก้โรคและเป็นความหายจากโรคขึ้นมาทันทีเป็นสภาพที่ว่างนิรันดรถคือไม่มีโรคนั่นเองท่านทั้งหลายลองพยายามคอยจับความหมายของคำว่าความว่างหรือที่เรียกเป็นบาลีว่าสุญญาตานี้ให้ดีๆซึ่งอัตมาจะได้กล่าวเป็นลำดับไปสิ่งแรกที่สุด ขอให้นึกว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงยืนยันว่าบรรดาคำที่เป็นตถาคตพาสิตะหรือตถาคตพาษิทธคือคำที่พระตถาคตกล่าวแล้วแล้วก็ต้องหมายถึงเรื่องความว่างจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามไม่ได้กล่าวถึงเรื่องอื่นเลยนอกนั้นที่ไม่ใช่เรื่องความว่างนั้นเป็นคำกล่าวของคนอื่นไม่ใช่ของพระตถาคต คือจะเป็นคำกล่าวของสาวกชั้นหลังซึ่งนิยมความเยอนเยออพูดมากเรื่องไปเป็นเรื่องที่ตั้งใจจะแสดงความเฉลียวฉลาดหรือความไพเราะส่วนคำที่เป็นตถาคตภาสิทนั้นจะสั้นๆลุนลุนระบุตรงไปยังเรื่องของความว่างว่างจากความทุกข์และว่างจากกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกนี้เป็นส่วนสาคัญแต่ถ้าจะกล่าว ยังกล่าวไปได้อีกมากมายว่าเป็นความว่างจากตัวตนว่างจากความมีอะไรเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนเพราะว่าความว่างนี้มันมีความหมายมากมายมหาศาลจะกล่าวอย่างไรก็ได้มันมีลักษณะว่างก็จริงแต่ว่ามีอะไรอะไรที่แสดงให้เห็นอยู่ที่นั่นมากมายเหลือจะพัฒนาได้ เรามุ่งหมายจะวินิจฉัยกันแต่เฉพาะความว่างจากความทุกข์และว่างจากกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือว่างจากความรู้สึกว่ามีตัวเราหรือมีของของเราเท่านั้นคำว่าว่างในลักษณะที่จะเป็นการปฏิบัตินี้หมายถึงความว่างอย่างนี้ถ้าเราจะถามกันขึ้นมามีหลักพระพุทธภาษิตเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไร ที่จะเป็นหลักกันจริงๆเราก็จะพบว่าโดยทั่วไปพระพุทธเจ้าท่านสอนที่เรารู้จักดูโลกด้วยความเป็นของว่างคือบาลีว่าสุญโตโลกังอเวชคสะโมคราชะสธาสโตเป็นต้นนั้นคือมีใจความว่าเธอจงดูโลกด้วยความเป็นของว่างมีสติอยู่อย่างนี้ทุกเมื่อและเมื่อท่านมองเห็นโลก อยู่ในลักษณะอย่างนี้ความตายก็จะหาตัวท่านไม่พบนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งมีใจความว่าถ้าใครเห็นโลกด้วยความเป็นของว่างอยู่แล้วผู้นั้นจะอยู่นอกเหนืออำนาจของความทุกข์ซึ่งมีความตายเป็นประธานหรือเรียกกันในนามของความตายนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า การที่ทรงกำชับให้ดูโลกเห็นโลกด้วยความเป็นของว่างนั้นเป็นสิ่งสูงสุดอยู่แล้วถ้าผู้ใดยอยากจะไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์หรือความตายนี้ให้ดูโลกหรือสิ่งทั้งปวงให้ถูกต้องตามที่มันเป็นจริงคือว่างจากความมีตัวเราหรือของเราที่นี้พระพุทธภาษิต ท, ที่ถัดไปก็คือแสดงอนิสงส์ว่า นิพพานังปรมังสุญยังนิพพานังปรมังสุ ข, ขังซึ่งแปลาตามตัวพยัญชนะก็ว่าที่ว่างอย่างยิ่งนั่นแหละคือนิพพานและนิพพานคือเครื่องนำมาซึ่งความสุขอย่างยิ่งนิท่านต้องเข้าใจให้ชัดลงไปว่าสิ่งที่เรียกว่านิพพานที่แปลว่าดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นมีความหมายว่าเป็นความว่างอย่างยิ่ง คือเลงถึงสิ่งซึ่งเป็นความว่างอย่างยิ่งเราจะต้องเข้าใจว่าว่างที่ไม่ใช่อย่างยิ่งนั้นก็มีอยู่เหมือนกันหมายความว่ารู้เรื่องความว่างเข้าถึงความว่างที่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องเต็มที่อย่างนี้ยังไม่เป็นความว่างอย่างยิ่งเราจะต้องเข้าถึงด้วยสติปัญญาอย่างยิ่งเต็มที่ จนไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนโดยประการทั้งปวงจริงๆจึงจะเรียกว่าปรมังศูนยอย่างคือความว่างหรือของว่างอย่างยิ่งส่วนที่ว่าความว่างอย่างยิ่งเป็นนิพพานหรือเป็นอันเดียวกับนิพพานนั้นหมายความว่าถ้ามันว่างมันก็คือดับหมดของสิ่งที่ลุกโพลงๆอยู่หรือของสิ่งที่ไหลเวียน เปลี่ยนแปลงเป็นกระแสเป็นสายเป็นวงกลมเป็นต้นอยู่จึงจะเรียกว่าดับอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นว่างอย่างยิ่งกับดับอย่างยิ่งมันจึงเป็นของอันเดียวกันที่ว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือถ้าว่างอย่างยิ่งแล้วก็เป็นนิพพานและเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นข้อนี้เป็นคำพูดอย่างสมมติ ที่เรียกว่าพูดโดยโวหารสมมุติพูดโดยภาษาชาวบ้านทํานองเป็นโฆษณาชวนเชื่อให้สนใจเพราะว่าคนทั่วไปนี้หลงไหลความสุขไม่ต้องการสิ่งอื่นเลยจึงต้องบอกว่าเป็นสุขและเป็นสุขอย่างยิ่งด้วยแต่ถ้าว่าโดยที่แท้แล้วมันยิ่งกว่าสุขมันเหนือไปจากสุขเพราะว่าเป็นความว่างไม่ควรที่จะกล่าวว่าสุขหรือทุกข์เลย เรา อ, อยู่เหนือความสุขและความทุกข์ที่คนธรรมดาเขารู้จักกันอยู่อย่างไรนั้นความว่างย่อมอยู่เหนือคำ ว, ว่าความสุขและความทุกข์แต่ถ้าพูดอย่างนี้คนก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงพูดว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งซึ่งถือว่าเป็นคำพูดอย่างสมมุติตามภาษาชาวบ้านไม่พูดว่าว่างอย่างยิ่งแต่พูดว่า สุขอย่างยิ่งขึ้นมาอีกโวาหารหนึ่งอีกคำหนึ่งหรืออีกความหมายหนึ่งเมื่อเป็นดังกล่าวมานี้จะต้องถือเอาความหมายนี้ให้ถูกตรงคือว่าถ้าพูดกันถึงความสุขจริงๆกันแล้วมันต้องไม่ใช่ความสุขอย่างที่พวกคนทั่วไปก็มองเห็นหรือมุ่งหมายแต่ต้องเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งมีความหมายอีกแบบหนึ่ง คือว่างจากสิ่งที่ปรุงแต่งไหลเวียนเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นละ่ะจึงจะเรียกว่าน่าดูจริงๆน่าชื่นใจหรือหน้าปรารถนาจริงๆเพราะว่าถ้ามันยังไหลเวียนเปลียปล่ยนแปลงคือโยกเยกโครงเคลงอยู่เสมอมันจะเป็นความสุขได้อย่างไรความสุขทางเนื้อหนังทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารม คำนองนี้มันจึงเป็นมายาและไม่ถูกกล่าวว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งจะกล่าวก็เป็นความสุขตามความหมายของคนธรรมดาสามัญทั่วไปไม่ใช่สุขอย่างยิ่งคือนิพพานหรือความว่างการที่ได้ยินคำว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นอย่าเพิ่งตระคุปเอาว่ามันตรงกับที่เรามุ่งหมายแล้วแล้วก็เลยฝันถึงนิพพานโดยไม่เข้าใจความหมายว่า เป็นความว่างอย่างยิ่งดังนี้เป็นต้น